ในการปฏิบัติจริงๆมีเรื่องของสติส่วนมากเราไม่เข้าใจอ่ะตามพุทธเข้าวัดเลยนักจู้ตั้งกี่ปีนั่งกว่าจะเรื่องยกหลายกีจะตั้งใจให้คนหนึ่งคนหนึ่งเขาจะตื่นแต่เรามักตื่นจิตเราอ่ะจิตเราหลับจิตเราฝันไม่แช่ผู้รู้ผู้ตื่นเราตื่นแต่ร่างกายจิตเราไม่ตื่นจิตเราเลืเหมือนนั่งฝันอาการที่เราเหมือนนั่ง กับการนอนตันนันแหละเหมอเป็นไหมรู้เหมอเป็นรู้คำว่าเหมอนนแหละคือความขาดสติถ้าเราพูดว่าสติเป็นยังไงสติเป็นยังไงนะเข้าใจยากยากพอที่จะทําสติเราก็ไปสร้างอะไรแข่งๆขึ้นมาหนึ่งเราเรียกว่าสติเหมือนมากไม่ใช่สติที่สร้างขึ้นถ้าเรา ตรงที่มันไม่เหมือนเนี่ยมีสติขึ้นมาไม้เพ่งไม่เหมือนรู้สึกตัวอุตารธรรมชาติธรรมะ ม, มีแล้วในใจเราธรร ม, มะแสดงตัวอยู่แล้วสตลับเวลาในใจเราตื่นเช้าแต่และ ว, วันเนรารู้สึกไม่เท่ากับนหัวงี้นั่นแหะธรรมะอ่ะเี่ยอย่างวันจันทร์ตื่นขึ้นมาเนี่ยถารับราชการนะวันจันเซนขี้เกียจ มันตื่นเส็งมากเลยเพราวันสุกสดชื่นนะอลยเช้าวันสุกสดชื่นนะยังวรเ ก, ก้าเกิกระชอนเลทำลัเสาไม่สดชื่นวันสุกร์การที่เราเข้ารู้ต่างธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เก่งว่ามีสติเข้ารู้ลองฝ่ายเก็ปฏิบัติง่ายๆเลย ตื่นเช้าขึมาม้นมาวันจันรเป็นความขี้เกียจหรือว่าขี้เกียจการที่เรารู้ น, ะนั่นแหละคือการปฏิบัติที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่แช่ไปตั้งค่าวไว้ก่อนเมื่อใจลอยใจลอยอยู่นะเนะท่านั้นเราไปเพิ่งจะไปปฏิบัติถ้าสำรวมรอวังเข้ามาตรงนั้นเริ่มดัดแปลงการรับรู้ของเราเนระิ่มผิดเพี้ยนเลยตรงที่ตั้งค่าจะด่วนสำรวมเตรียมตัวที่จะรู้เตรียมตัวที่จะดู ดังนั้นคาดเคลื่อนนะคัดเคลื่อนตั้งแต่เริ่มต้นเังน้นกิจกรรมอย่างจัด ก, การที่เตรียมตัวนะคือการเพ่งเพ่งนะไม่ใช่การรู้นะแต่ถ้าเราสึกรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติที่สุดเลยตาของจู้เห็นถังเบียร์ปัญหาอยากกินเบียร์พุ่งพลุ่นพลุ่ยซึ่เห็นนี่แหละประมัตธรรมเนะ เ, เห็นตัวจริงของมัน เพิ่มขึ้นมบแล้วมันช่างอธิบายน ะ, ะมันควรเชิกินสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเรากินอย่างมีสติะสนะศีน์เนื้อถือเพื่อให้มีสติถ้าไปถือเค่งนะเค่งลัตต์นัดนะนก็เป็นศีลปรับตาปลามาแล้ว <laughs> กินไปเราทำความรู้สึกไปอ่านใจเองที่ชอบไ <laughs> ม่กินเลนี่ฉลาดเกลียดกลอม <laughs> <laughs> มีหน้าที่เต่ารู้ ไม่ฟังกันง่ายมทุกคนเรารู้ได้อยู่แล้วแต่ทุกคนรักเลยเช้าสดชื่นรู้ว่าสดชื่นเดนเดินไปร้านอาหารเห็นอาหารหลายอย่างอย่างนี้ชอบใจเราชอบเห็นแล้วก็ดีใจแล้วยังไม่ทันชอบปากอย่างนี้ไม่ชอบเห็นแล้วก็เรียกเดียนใจเราไม่ชอบมันตลอด เดินไปเห็นผู้หญิงสวยใรชอบรู้ว่าชอบเดินไปเดินไปกําลังชมสาวสวยแล้วมองตาเขาเหยียบขี้หมาเขาละเปลี่ยนแต่ความสดชื่นกลายเป็นความกระหยาดเยี่ยงนี่ในติณในใจเราก็รู้อีกใครเคยขี่รถเมล์ไหมรถเมล์มาในีรถเมล์ปิดบ้านเหนแน่นแน่นเห็นรถเมล์ว่างแล้วก็ขีใจใช่ไหมรู้สึกแล้ว่าดีใจ นึกรู้อย่างนั้นเลยคือการปฏิบัติตอนนั้นมีว่ามาดีใจอยู่แล้วเมีไม่ยอมจอดอเกนะ่ <c oughs> เลยมยเปลี่ยนจากความดีใจเป็นโสดชนะนั้นไมอพอใจรู้ลงไปว่ากำลังความรู้สึกเปลี่ยนนะจากดีใจจากโลภะกายเป็นโทสะสิดนิดเดียวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ย ก็สามารถที่จะรู้ว่มมารรมะที่กําลังปรากฏในจิตใจได้แต่ไม่รู้หรอกว่าติการปฏิบัติทำเพราะไรคาการละเลยหมดเลยตัวอย่างนะเช่นพอเราตื่นขึ้นมาวันนี้วันการตื่นขึ้นเราโอ้เบื่อหน่ายการที่เราจะรู้ว่ามันเบื่อหน่ายมไปในจิตใจเองแต่ไม่ยอมเบื่อหน่นาย เ, เ, เราไม่เราคิดไปเลยวันนี้ยังท้างนับเงิ น, นเยอะก็ไม่เจอนับเงินโอ้ยยิ่งวนะ่าเบื่อหน่ายทุกทีพอวันสุกรตื่นขึ้นมาสดชื่น เราต้องละเลยปัจจุบันที่มีความสดชื่นเราละเลยเลยเราไปคิดทําโอ้วันนี้อย่างนี้เรามีนัดยังต้องไปกินเลี้ยงกันสันหน่อยนัดเพื่อนไหมเนุกชื่นหนักขา้นอีกต้อรู้จิ้งปัจจุบันเลยว่าจนะิตใจกําเราเป็นยังไงงั้นธรรมะแท้ๆเนี่ยสแสดงตัวอยู่แล้วตลอดเวลาพอเพียงเราตื่นขึ้นมาเราอยาดใจลอยไปเหมือนถ้าเราเหมือ่อใจลอยไปถึงว่ามันพดใจลอยไปติดดี เราก็ล่าเลยกัปัจจุบันเราก็รู้ไม่ได้ก็แค่นั้นออออเนองใจลอยใช่ไหมติดเนี่ยเรี่องใจรอยมันมื อ, อเไยพอมือเราก็อยากรู้ก็แค่นั้นเองหรือพอเพ่งเพ่งแล้วมันก็ชื่อๆอยู่นะมันไม่มีอะไรให้รู้นั้นสองตัวที่ากล้าคือมือไปใจรอยไปเพ่งไปแค่นั้นเองถ้าไม่เพ่งเอาไม่ใจรอยไม่เหมือนะก็จะอา่านจิตใจเดียกในปัจจุบันออก ปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่เราละเลยมากที่สุดเราคนเขารู้ตัวเป็นรู้ตัวขึ้นมานะมได้ขึ้นได้มึดเหม่อมาสองชั่วโมงแล้วก็ิ่งเห็นรู้ตัวเองรู้สึกไหมใจลอยตั้งงานเลยทำไมถึงรู้สึกโผไม่น่าเลยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้นยทิ้งปัจจุบันอีกนะเป็นขั้มควรเพื่อดีใจลอยหรือพอรู้ตัวขึ้นในปัจจุบันเห็นความโกรธยังแย่งมีที่โมโหเห็นความโกรเกิดขึ้นมาทุก ีภาาจารต่อแล้วยไม่น่ากลัวันกัวนี่ไม่ดีเลยคิดแอด่แล้วหรือบางคนเผลอใจลอยหรือความรู้สึกตัวก็แบ้ทำไงจะรู้สึกตัวอย่างนี้ได้ต่อเนื่องอีถ้าปวดนั่งโกตอีกแล้วฮึ่มทิ้งปัจจุบันอีกนะไคิดว่าทำไงนั่งโคตรรู้ตัวให้ต่อเนื่องแล้วมีเท่านี้หลักอยู่กับปัจจุบัน รู้สภาวะคำที่กำลังเกิดตามที่มันเป็นรู้ไปพอรู้แล้วเนี่ยมันทั้งใจก็เป็นกลางบงคั้งใจก็ไม่เป็นกลางก็ไม่เป็นไรใจเป็นกลางก็รู้ว่าเป็นกลางใจยินดียินร้ายรู้ว่ายินดียินร้ารู้ไปมันอยากยินเดียเห็นความอยากยินเดียเกิดขึ้นมาเริ่มต้นใจไม่เป็นกลางกับเดียแล้วใจอยากกับเดียแล้วนี้พอเห็นความอยากเนียใจเป็นกลางกับความอยากไหย ความอยากคืออารมณ์จะเจอเป็นเห็นเบียใช่ไหมรู้ได้ตาธรรมานี้เป็นเรื่องเห็นความอยากในใจแล้วเป็นธรรมารมรู้ได้ใจครับพอรู้ได้ใจแล้วใจก็เป็นกลางหรือเปล่าอยูเลยพี่มันมันดีดีร้านพอมันเห็นปัญหาเกิดขึ้นมาดีใจอู้เราเห็นแล้วนีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมะในใจแล้วโหลงดีใจไปแล้วไม่รู้เท่าการว่ากำลังดีใจ หรือพอเห็นกิเลสเร็จขึ้นในใจนึกเกลียดอยากรักเมื่อไม่เห็นการที่ใจไม่ชอบมันมันรู้อารมณ์หลักปฏิบัติง่ายๆเรารู้ว่ารามณ์อะไรนะลองวัดใจเองอยู่างเรื่อยๆอ่านปฏิกิริยาของจิตใจให้ออกตาเห็นรูปเห็นสาวสวยใจชอบใจยินดีรู้ว่ายินดีจะเห็นสาวหน้าเกลียดหรือเห็นหนุ่มหน้าเกลียดใจยินร้ายรู้ว่ายิยนร้าย ปฏิกิริยาของจิตใจกันหรือว่าจิตใจเราไปรู้อารมณ์ที่เป็นนามธรรมจิตใจมีความสุขเราก็ดูไปส่วนมีปฏิกิริยาอย่างไรกับความสุขนั้นจะเพื่อเกินพอใจกับความสุขนั้นเห็นความทุกข์ก็มีปฏิกิริยาเกลียดความทุกข์นั้นจวเข้ารู้ปฏิกิริยาของจิตไปเรื่อยๆเมื่อมันกระทบตาหรือจมูกหรือที่กายจะกระทบมันก็รู้อยู่ที่ใจเรา การรู้อยู่ในใจมันจะเกิดธรรมารงขึ้นมามันก็มารู้ปฏิกิริยาของจิตใจเราต่อธรรมารงที่กำลังเกิดมันซ้อนซ้อนซแต่เดิมเรารู้จักรวาลทั้งหมดเลยรู้โลกรู้จักรวาลนะตารู้จมูกรู้กายมันก็เคล้าไปหมดรู้กว้างขวางแต่เราก็ค่อยๆบน้อมเข้ามาหาจุดศูนย์กลางของการรับรู้อยู่ในจิตใจของเรา ตาเห็นแล้วใจยินดีิน้ายไม่ินดียินร้ายไม่เกิดที่ตาบูได้ยินเพลงนี้แล้วก็ให้ฟังฟังแล้วเกิดเกินพอใจใจยินดีนะบูเฉยๆบูมีหน้าที่ฟังนะ้นเฉยๆใจมีไฟแปยงไปแปลงมาให้รู้ทันทีนี้เราจะรู้ทันได้เราก็ต้องไม่ทำสองสิ่งไม่เมื่อนที่หนึ่งไม่ใจลอยอันที่สองอย่าเป็นเพ่งเลย ถ้าเท่งมันเนีมันนิ่งไปหมดเลยไม่มีอะไรจะให้ดูคิดเอาลึกเลย่าหมถึงเขาเรียกใจลอยเนาแต่รอยไม่ใช่แต่ว่าต้องไปคิดอะไรสะเปะสะปะจถ้าคิดอย่างเป็นระบบเนาะแต่คิดแล้วถล่มลงไปในการคิดเนี่ยลืมเนื้อดูตัวลืมคิดลืมใจเองก็ไม่ควรหลงเหมือนกันบางคนเนาะบอกไม่หลงหรอกแต่มาคิดอย่างรู้ตัวอะไรคิดแล้วรู้ว่าคิดอะไร แต่ทัานไม่ฟังสงสัยใช่ไหมสงสัยแล้วรู้ไหมไม่รู้ความสงสัยอย่างนี้เนี่ยเนียเราเราไม่รู้หรอกถ้าพอเราฟังเราก็คิดใช่ไหมฟังหลวงพ่อพูดเราก็คิดคิดแล้วก็จิตเกิดความสงสัยขึ้นจิตเกิดปฏิกิริยาคือความสงสัยเราไม่รู้หรอกว่ากําลังสงสัยอยู่แต่เราก็ทั่งคิดตามเนี่ยแม้เราหลงไปในโลกของความคิดของเราอ เราล่าเลยก็ื่อจรู้เท่าสันจิตใจของเองไม่อยังไปหัดเดินงรวมๆนะ6จังหวัด7จังหวัดจน ม, มาไปเที่ยงท้าหรือไปคิดเรื่องค้านะยกส้นหน่อ ย, ยกหน่ออะไรนี้แล้วก็จะไปคิดว่าขัดแบบนี้จะเป็นอะไรอย่างนี้แล้วจะพลาดต่อไปยังไงจะคิดออกไม่ใช่การรู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกไปตามธรรมชาติตู้ใจลอยไแล้ว ติดก็ใจลายละทำความาข้าใจลายใจลอยเ่อะนะทํากามเข้าใจทํควารู้จักไม่ดีใจลายเนี่ยบางครั้งใจลายสเปสปะหรือใจลายมีคิดเป็นเรื่องเป็ราวก็มีก็ตื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจยากเราคนเรื่องหลายปีแบจะรู้ว่าที่นั่งคิดอี่ยงเกลระบุก็ยังตื่นอยู่ คิดแล้วมันอิ่มในตอนคิดลืมปิดใจมืออย่างนั้นคิดทำมาละไังค์ทมาแล้วคิดตามติจารณาใจเกิดความสงสัยไม่รู้ไม่รู้เท่าทัดนี่ก็เรีกเปิดเงินกันกิเลสเกิดขึ้นในใจแล้เราไม่เห็นว่ายังไงนั่งเมื่อไปนะกำลังคิดตามอยู่คะน่เนี่ยิดสังเกตไหมตอนที่ได้งคิดตามเนี่ยนะ เรานั่งอยู่นี่เราต้องไม่รู้ใช่ไหมเหมือนเราหายไปจากโลกเลยทีนะ่สุดนนั่นแหละที่ว่าใจลอยไปบคิดอะไรที่รู้หมดเลยนะเป็ในขณะนั้นนะ่ะเหมือนเราหายไปจากโลกแนละ้เราไม่มีตัวมีตนอยู่แล้วในโลกนี้จิตใจเราเป็นไงเราก็ไม่รู้แล้วบางคนนั่งนั่งฟังธรรมะนั่งคิดมือแพ้ที่โลกอะไรอย่เนี้ยแ้เหมืได้ข้งมวเหนียวเหี่วส <c oughs> ธรรมะเนี่ยนะฟังธรรมะเนี่ยฟังเหมือนฟังเลคเชอร์นี่แหละฟังเลคเชอร์เนี่ยพอฟังแล้วเราก็จิดตาติดตาแล้วก็พยายามจำเอาไว้เซ็ตเป็นระบบความจําขึ้นมาจำเอาไว้อะไรสงสัยเราก็ต้องคิดหาเหตุหาผลมา เป็นี่เป็นเรื่องยากไม่ทําสิถ้าทําแล้วยากก็ไม่มีใครทําไดไ้ถ้าเมื่อไหร่คิดว่าเราจะทําใจให้เป็นกลางไม่เป็นหรอกตอนนั้นมีโลภะแล้วอยากแล้วเพราะฉะนั้นการทําใจให้เป็นกลางเราก็ทําโดยไม่กระทําอะไรเลยรู้ตรงนี้มันไม่เป็นกลางบอกความไม่เป็นกลางดับไปแนละ้วมันก็จะเข้ามาเป็นกลางเองเช่นเจอหนุ่มหลอ ใจชอบแต่ชอบดูว่าชอบดูไปที่ความชอบของเราในมโนใจนิยมหลอ่อพอเห็นใจชอบดูความชอบจะต้องใหเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่ก็ เ, เป็นกล า, างเนี้ยหรือทำอยังไงจะมีสติไม่ต้องทำเกิดนเะถอะเรารู้สึกว่าเกอดเรกเกิดสติแล้วนะจะทําให้มีสติทําเอาไม่ได้จะทำให้เป็นกลางก็ทําเอาไม่ได้รู้ว่้ตรงนี้ผิดแล้วมันถูกเอง ก็มันมีอยู่กองใช้เลยเมื่อกีก็สูกแต่ถ้าคิดจะทํำถ้าถูกนั้นจะผิดใจคิดจะทำเนี่ยมันมีความลบอยู่ขึ้นมาในใจแล้เนะเรารู้ไม่ทันเราก็จะไปสร้างอะไรขึ้นมาสร้างความเรียบร้อยสํารวมที่ในใจทําเป็นซึมๆฉึนๆนะเราบอกนั่นปฏิบัติธรรมไม่ใช่หรอกนันเสียงแจ้งแก้งทำไม่ใช่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรนอกจาเต้ารู้อย่างที่มันกำลังเกณฑ รู้ง่าย่ายรู้ตามธรรมชาติซึ่งทุกคนรูได้อย่เรงถามว่าใจลอยไม่จับหมเรียกใจลายแล้วนไสงสัยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ตันได้หรืมันปิดบังเราหมดอะไรที่ปิดบังเราเลยหความคิดความคิดในปิดบังความจริงเรลี่ยงอยู่ถบอกสมมติมันหยัดปิดบังปรามะตาคำความคิดของราเกขึ้นมาสงสัยก ฟังแล้วไม่เข้าใจนะมันเป็นยะังไงไหมสงสัยเกนะิดขึ้นพอสงสัยแนละ้วเราก็คิดใหญ่ถ้าอย่างนะี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างนี้รเร า, าละเลยที่จะรู้ขันปิดใจของเราที่กำลสงสัยเรายิ่งไปอยู่ในโลกของความคิดเรนะื่องนี้เพราะนั้นความคิดของเราเองที่ติดกั้นเราไว้จากธรรมะรือเองที่ไหนนี้ ยางไม่สึกตัวเลยเห็นไห่ใจเราหนีเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดในระยะระยะพอจะดูดออกหรืยัเรื่งนี้ก็ไปแล้ว <c ười> ถ้าเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมก็จะเจริญสติปัฏฐานได้ถ้ายังไม่เข้าใจทาสติปัฏฐานไม่ได้สิเพราะไม่มีสติได้แต่เพ่งอยู่ กำ ล, นะไปไปลังแนะสวงหาหรือไม่ถ้าถ้าแบบนสังเกตได้ในใจเราเหมือนกับมีจอ ม, นม อ, มอมนิเตอร์อยู่วนนะแล้วเราเที่ยวสแกนหาอะไรอยู่ในจอนั้นสังเกีหรออไม่เปจิตไม่ได้อยู่ที่จอแล้วจิตเป็นคนดูจอ อยากพูดรู้ไหมเห็นแรงดันเมื่อฏิเสธเี่ยแหละธรรมะเห็นไหมัดแค่นั้นเองอะไรเกิดขึ้นในใจฝุดขึ้นมารู้ไปฝึกขึ้นมารู้ไปจะเห็นแล้วเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับนะชอยากพูดรู้ไหมแต่งอย่ากแรงขึ้นมาแล้วก็พอรู้ทันก็ลดลงไปแต่ยังอยู่เห็นไหมช่วยมีการฝึกดีกว่าเลย เนี่ยเราต้องดูจากเของจริงๆเราเด็กข้าใจก่เป็ธรรมะนะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการคิดแต่เราเรียนได้ด้วยตัวเองนะลืมตาตื่นขึ้นมาก็คือตื่นจากโลกของความคิดความสันรู้ตอกมัว่าเข้ารู้ปฏิกิริยาการทํางานที่ทําำดีจริงๆอยากพูดตันขึ้นมาเห็นความยากขึ้นขึ้นมาแต่ไม่ได้พูดเรล้วหยุดนะแต่สังเกตว่าพอเราเต้านี้มันก็ตัดมันจะเกิดแล้วจับ เมื่อแสดงใจรักแล้วใจรักผิดไปความอยากเกิดขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ถันความอยากครอบงำใจเราเนีความอยากอยากพูดพุกงขึ้นมาเรารู้ไม่ถันเนยครอบงำใจเราใจรักจต้องพูดละได้เตรียมจะห้าปากอารมณ์ครอบแฝงไมให้พูดมันอิจัาอิจฉาอิจฉาเมื่อความพุ่งเกิดขึ้นมาความพุ่งเกิดมาจากปัญหาเรานะปัญหาไม่ได้รับการตอบสนองยิ่งพุ้งเยอะ จริงตัญหาเกิดแคุ่กแล้วนะมันเริ่มผิดหันแล้วอริยสัจก็อยู่ตรงนี้เองใจรักก็อยู่ตรงนี้ี้เราไปเรียนธรรมะใจตัวเรียนธรรมะที่มือที่เท้าที่ลมหายใจที่ท้องไปเรียนอยู่ใจใๆเราเรียนเข้ามาไม่ถึงผิดอย่งอริยสัจอยูในใจเรานี่แหลความอยากพุ่ขึ้นมาชอบนำใจใจก็พุงขึ้นคิดอะไรเอสันเกย เหนไหมเห็นแรงดันไหมมันเคลือบเครือบเคลอบันอยากพูดนั่นแหละปฏิเสธเหนไหเรียธรรมะตลอดก็มันต้องถามมากไม่ปรโยชน์ไอคิดอะรเหนมีอยู่ในความคิดนั่นี่แการเกิดนั่นเองจิตเราโตไปยึดอารมณ์ยึดความคิดมัก็ไปนเกิดคิดดีก็ไปพบดีคิดได้มันพบได้ล้าง เกิดทีไรเป็นทุกทุกทีเลยเราดูเรื่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะนี่เป็นธรรมชาติล้วตอนอยังไม่เจอหลวงพ่อกับอาจรู้จิตนึกเหมือนกันรูนะ้ไหมนะ่ส่วนที่แตกต่างนันคือส่วนที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาสงสัยนึกว่าสงสัยเลยนะสงสัยแล้วคิดเอาใช้ไม่ได้หรอกเออตีนึ้งอะไอย่างนี้ีนจะเกป็นิ แล้มนีไปที่ตัวแล้วหนีไปว่าการที่ไปคิดใช่ไมเราก็มองตรงนี้นี่เห็นมองจิตใจเองไม่เห็นเพราะเราเห็นมีตรงนี้ความคิดต้องไม่มีหรือมีก็เกิดความคิดไม่เกี่ยวกับเราเอเมื่อไรขาดสติคิดก็วิ่งไปในความคิดลืมตัวถึงความคิดขนาดติดหลาน้อยหมดเลยแต่การรู้ความจริงเถอะคิดหนอยนะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดต้องเติ้เพิ่ม อย่เป็นเะพ่่ยนะพอเริ่มเพ่งก็คือการคอนเซนเสดอย่างแรงๆอย่างเดที่จุตใดจุดหนึ่งแล้วมันจะนิ่พอนิ่งก็ไม่รู้เรื่องอีกแล้วซึมซีกแล้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเพ่งแล้วก็ไม่ใช่การหรือเบื่อไปในโลกของความคิดแต่ว่าอยู่ในโลกของความรับรูบ้ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาซึ่งทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ทุกคนไม่รู้ว่าเรื่องสิการตะเนแบบ อย่าใจลอยไปเลยใจลอยจะได้อย่าเยี่ยงหรือยังไงนะรู้สึกเก่าตรงที่เราพลาดแต่ไหนก็คือตรงที่เราสำดวจนะเราระวังเราเก็บเขี้ยวเก็บเล็บของเราหมดเลยแล้วทำเป็นเรียบร้อยทําเป็นนิ่ง ก็ปล่อยป่อ ไ, ไปตามธรรมชาติ <S <S เผอเลยเแล้วรู้ว่าเผออย่าใจลอยนานเพราะแน่นอนเพราะถ้ารู้อยู่ก็ไม่เผอสิทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามเผอเพราะพวกเราจะต้องเผิอนั่นคือธรรมชาติของเราเราไม่ใช่พระอาหานเราต้องขัดสติ เราขาดสติแล้วเรารู้ไหมว่าขาดสตินั่นก็เรามีสติแล้วมันไม่ใช่ทําตัวอย่างเงี้ยไม่ให้มีไม่ให้ขาดสติเลยไม่บ้าแน่นอนต้องประาทินด้วยความเครียดมันเป็นไปนไม่ได้เหมือนยังเคยเดินวิ่งไล่วิ่งไล่จับอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆจะยังอยู่ที่แข่งปปไปปิดกั็ตายปล่อยให้แค่ละหันท่นานไม่ขาดสติไปแล้วเราขาดไปตามธรรมชาติ ขาดเรารู้ขาเรารู้ไปเรื่อยได้หนึ่งแต้ไม่มีหรอกสติต่อเนื่องคำว่าต่อเรื่องภาพดวงตาเ ร, ร า, ารู้ปัจจุบันทิละขณะทิละขณะปัจจุบันต่อเรื่องไม่ได้เลยกคำว่าปัจจุบันนี้มีต่อเรื่องหรเกิดขึ้นตรงนี้เื่อนไปก็เป็นอดีตแล้วก็ทิ้งมันไปนะล้าหน้าคิดล้ำหน้าไปก็เป็นอนดะีตเ่างเดียวไม่มีไม่ต้องไปคิดถึงมันรู้ว่าปัจจุบนันมันไม่มีระยยะทาง ไม่มีสเปซไม่มีไทม์โลกสร้างขึ้นมาไม่ได้ในปัจจุบันเราสร้างโลกขึ้นมาเพ้าคิดไปถิงอดีตคิดไปถึงอนาคตใจซึมล ง, งรู้ไหมมันเริ่มซึมล ง, งไปแมสตอนนมันเริ่มตื่นขึ้นไปกับความรับรู้มันชัดขึ้นรู้ไหมแมสมันนิ่งขึ้นพอโมหะเข้ามาแนละ้วมันต้องโมเสวเลย น่ร yeah, yeah. yeah. mm ู้ชอบทานเทคนิคลเอยสจริงๆหรือติดใจจริงๆในงั้นได้แต่ปฏิบัติที่เกลื่อนเกือนได้จริงหอยกมือยกเท้า้วขยับท้องโอเนื่อยอยู่ที่นั่นี่แหละเน่อยอยู่ที่ไหนทูกอยู่ที่ไหนนะก็ลุยเลข้าไปตรงนั้นเลยไ้่ให้เสียเวลา ใจลอยรู้ไหมเฮ้ยท yeah, ีเระฉะนั้เน่ยใจรอยแล้วมั่วไปอย่าใจรอยนานตะเดินเล็กใจลอยเช้าเย็นแบบนี้ใจลอยฟองงานล้วทีสอนเล็กอยู่ติตัวอย่าใจลอยเลยบอกว่าธรรมะเนี่ยคือให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไป คิด อ, อดีตแล้วก็พงงนหาหนว่าไม่หลงจนะ้ะโยมเราคิดถึงอดีตได้ระวางแฝงงาน น, นานคนได้แต่ไม่หลบคนละเรื่องอย่างนะียไม่ให้คิดกับไม่หลบเลย่คนใหม่ๆรับคนมันเล่นยากเลยนึกว่าห้ามคิดอาชาพุธต้องไม่วางแผนงานใ น, นานคนหรือไม่ใช่สมุทนะัยเจ้ายัางวางแผนในชามืดขึ้นมาเนี่ยเตรีมวิเคราะห์กหุเป้าหมายตอนนี้จะไปสอนใจ พวาวิเราะห์กลุ่มเป้าหมายนะกลุเจ้ายังวิเคราะหต่อรึอีกว่าจะสอนอยังไงหาวิธีจะใช้อัพโกลสไหนในการสอนแล้วก็กำหนดไว้เลยว่าพอสอนเสร็จแล้วจะได้ออปตุลเป็นยังไงวิธีมูอ ท, ท่านดีสอนที่ไรตรงตาม o อ t p ุ t ทุกทีลย่างใช่ไม่คิดนะแต่คิดแล้วไม่เถือ่อ <c oughs> ตอนนี้เถือ่อหรือ <c oughs> ไม่ตอนน้ค่าเสกอย่ <c oughs> ที่เราเราเมือนแบบใจลอยทีอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยหนีได้ไหมเนีขนาที่คิดสังเกตนี้เรานั่งอยู่ท่าไหนอะไรนพยายามเป็นเียบ่อ้ยไหมรู้ทันจิตใจตัวเองพฤตกรรมจิตแความพยายามรู้ทัน มันมันตอนรู้สึกมันต้องัดขึ้นรู้สึกนะแต่พอโมหะชอบนังไหนก็นเรื่อยๆเลยนั่งกินอะไรก็คิดไปอย่างรื่อยๆดูออกบ้างไงใจมันอยู่ใจรับรับรับไปเนี่ยพอจะสังเกตได้ยังนี่ แต่ไม่ใช่ห้ามหนีนะให้มันเผลอไเผลอแล้วรู้วัไวแค่น้ถ้าคิดว่าจะไม่เผลอนี่ละเทียนหนึ่งเครียดเป็นไปไม่ได้เหมือนจะให้เราไปยึดแข่งกนะันนะัที่มโวลติกหนึ่งเป็นไปไม่ได้ทใจให้สบายนะประสบการเห น, หนนะื่แล้วย่ย แมตอนที่เราดึงตามเ้ไปนี่เราดึตัวเรางมันเราหายแปดโลกละจิตเราวม่มแต่ทางตาหลงไปทางสีที่หนึานั่เฉยๆก็หลงไปทางใจนั่นิีเหานั่งเหนือมันเร่หลงทังนั้นโมหะความหลงัตรูร้ายของความขาดสติศัตรูร้ายของสติความไม่มีสติมันหลงเ เขาไม่หลงเราก็จะเห็นสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นที่ไหนกับไม่เหมือนกันเลกี้กตรงนี้ไม่เหมือนกันพยายามทบทวนดอยากศึกษาอย่างนี้รู้ันพฤติกรรมทันใจของตัวเองไปเรี่ย สุดยอดขการปฏิบัติเลยตังจิตนี้เลยหนีที่เกิดไปยิดอรมณ์เนี้อไปดรมณ์ม้เรื่อยๆนี้ก็ใจรองไปแล้วเอ้ยไปกลหลายทีเลยกังกับไปคิดเสงที่หลวงพ่อเพิ่งไปพูดว่าเวลาที่เราเกิดอยี่จะพู่ เม่ต้องพ<ส>ูดเลยเพราะจริงไม่เฉพาะความอยากที่ไม่ได้รับการตอบสนองที่ทำให้เกิดทุกขอยากก็ทุกแ์ละถ้าอยากอย่าพูดเนี่ยนะจิตใจเริ่มเสียสมดุลนั้นเสียความเป็นธรรมชาติธรรมดาเรนะิ่มแกร่งแค่นก็ทุกข์ละแต่ว่ามันทุกข์แลเสียของเราเรื่อต้อนเราแค่เห็นว่าถ้าไม่สมอยากแล้วมันทุก ต้องอยากหน่อยไม่เรียนรู้ได้ตฝึกไปฝึกไปจะเด็นเลยว่าการที่ผิดไหวตัวที่ไปเพื่อสังวหาอารมณ์นะไหวตัวเฉยขึ้นนิกหนึ่งปุ๊บแพบทราบไม่เจอะน้อยทุกคนแต่เราค่อยๆกลิดวันนี้ทำงานขึ้นเรวก็รู้ได้ให่ๆมันยากยากยากแต่ทำไมหนูข้าสอนอะไรที่ยากเหมือนกัน ไม่สอนง่ายๆอย่ว่าเดินดูงยกขาอย่างไงเรื่องคนอื่นเขาสอนแล้วถ้าธรรมะมีสันเหมือนๆกันหมดต้นใกล้นั้นเนี่ยไม่พัฒนานี่บางคนมาถามไม่รเวลาจะปฏิบัติจะทำยังไงที่หลวอสอนให้มีสติใ้รู้ทันตัวเองไม่เกิดไปเรื่องซึ่งแต่ไม่คอยรู้ทันเวลาลงมือจินจะทำยังไง ทำอะไรก็ได้ไปปฏิบัติในสำแนักไหนก็ไปปฏิบัติอย่างนี้ไปฝึกกับคุณแม่สีก็ฝึกไปลงเท้ายา่างท้าอะไรก็รู้สึกตัวไปแต่ไม่ใช่เรื่องเท้าแต่ไม่ได้คิดเรื่องท้าแต่ให้รู้สึกตัวเพาะว่ารู้สึกตัวนี้รู้สึกอะไรรู้สึกมือรู้สึกท้าใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกทั้งตัวหรือเต่าถ้ายังไม่ใช่นะ่รู้สึกตัวที่แท้จริงเลย ถ้าเรายังถามว่ารู้สึกตัวคือให้รู้สึกอะไรอย่างมีออบเจกต์หรือไม่รู้สึกตัวจริงเอ่ะรู้สึกตัวจริงจริงนันเหมือนกับไม่ได้กาหนดว่าจะเอะไรเป็นออบเจกต์ของการรู้สึกรู้สึกก็คือรู้สึกหรือก็รู้ว่าเป็บบนั้นจบแล้วขนาดนี้เรียนรู้สึก แต่ถ <c ười> ้าแบบรู้สึกตัวคือรู้สึกท้องอยู่ตลอดเวลาท้องฟองท้องนึกให็นั่นรู้สึกท้องให้นั่นรู้สึกตัวในั่นรู้สึกตัวคือความรู้สึกที่มันไม่หลงไม่เบื่อไม่เมื่อไม่ใจลอยแล้วอะไรเกิดขึ้นมันไม่ร้วันนั้นแหละเรารู้ด้วยก่อนเป็นกลางกันแค่นั้นเอง มีหมอคนหนึ่งนะ้วเขียนหนังสือเล่มน่ชื่อหมอคงสักด์ประยชน์ เ, นเมงกาวัานแกนิยามนะั้นสติไร่หนะน้าควาบอกว่าคำว่าสติ ท, ที่แท้จริงนี่นะไม่ใช่รู้ว่ารู้อะไรไม่ต้องคิดถึงในตัวอัอบเจกของการรู้เลยไม่ได้จงใจไม่เลสเปกที่จะรู้อะไร แต่ร e ู้ก็คือรู้แต่ตังคก็ยังน้องต่ยายเอาสูงแค่ว่าเธออแล้วรู้ติดเผลอหรืออะไรอยู่ตัวนั้นทำให้เก็ดบ่อยๆเธอสั้นๆ้็มันจะได้รู้สึกโดนบ่อยๆนานไปมึนก็ข้ามมันที่ติดที่แต่เราได้ปฏิบัติเร่ออย่างให้มันเครียดนะ ทำให้มันสบายสตามเลยตามตามเลยข้าอยากปุ๊บตีก็พุ่มไปเลย